เวานนี้พูดในเรื่องของวิตกวิตกทเวธาวิตตักสุพูดแบบเย่อๆพูดกำลังของวิตกพูดในเรื่องของกา마วิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแล้วก็พูดเรื่องเนคขามาวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตก กุศลวิตกกับอกุศลวิตกที่แม่พูดเมื่อวานนี้วิตกที่เป็นกุศลจะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายกุศลวิตกนี่พัฒนาปัญญาแล้วก็ไม่ทําให้ลําบากเป็นไปเพื่อพระนิพพานด้วยนียถ้าใครสามารถทํา เนคข ม, มวิตกประเด็นก็คือว่าเรารู้จักคำว่าเนคข ม, มวิตกแค่ไหนรู้จักไหมเนคข ม, มวิตกก็คือความคิดในการที่จะให้ที่จะสละที่จะแบ่งปันความคิดที่ไม่ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลภภิตพัณฑะเป็นกลุ่มเนคขมะความคิดในการที่จะเจริญกุศล ความตรึกในการที่จะเจริญทานศีลภาวนาทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวนี้กลุ่มเนคขมะหมดเลยเนคขมะเนี่ยเนคขมะชาสญาเนี่ยอัตยาสัยที่จะน้อมออกจากกรมเห็นโทษของการมนะเห็นโทษของการติดอยู่ในวัตถุกรรมในกิเลสกรรมเนี่ยรูปที่สวยๆเสียงที่เ พ, พ้อกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆไอราคะโทสัโมหะทั้งหลา ย, ท, ลายที่เป็นตัวกิเลสที่เป็นตัวให้มียึดติดครอบครองยอยากจะได้อยากสแสวงหาในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย อันนี้เป็นกลุ่มกามวิตกอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ทรัพย์อยากได้สถานะทางสังคมทั้งหลายที่ดีๆขึ้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยความตรึกความอยากความเธอเยอทยานในการคิดในลักษณะ น, นี้เป็นกลุ่มกาลมวิตกแต่จะคิดตรงกันข้ามก็เป็นเนคขมะคิดในการที่จะสละที่จะแบ่งปันคิดจะให้คิดที่จะไม่ติดในเรื่องเหล่านี้ใช่ ยังมองในสิ่งต่างๆางเหล่าเนี้ยจะมองเป็นกาลมาวิตกก็ได้มองเป็นเนคข ม, มวิตกก็ได้ท่านมองเป็นกามาวิตกก็สวยเพลิดเพลินจะมาชื่นใจบางเงี้นเธอมัวเมาและเพลิดเพลินลุ่มหลงกับมันถ้ามองเป็นเนคข ม, มวิตกก็สถานที่เหล่านี้เราจะทําสถานที่ตรงเนี้ให้เป็นที่ได้เจริญกุศล เออเหมาะแก่การทําความเพียรเหมาะแก่การให้ทานเหมาะแก่การรักษาศีลเหมาะแก่การทํากิจในการเดินภาวนาเหมาะแก่การในการพัฒนาสติพัฒนาปัญญาพัฒนาศรัทธาพัฒนาความเพียรพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาเนี่ยให้เจริญไพลวูนยิ่งยิ่งขึ้นไปโอสถานที่เหล่านี้เอื้อมากเลยเป็นรมณียสถานเหมาะแก่การดําเนินความเพียรเนี่ยนะใครมาอยู่เขาก็จะได้ความสุขก็จะได้ความเพียรแห่งจิตจะได้ความมั่นคงในพระัฒนาใจจะได้ความเกล้ากล้าแห่งจิต จะได้สติในการกำกับอยู่กับตัวได้สมาธิคือความตั้งมั่นได้พัฒนาปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเออเราอยากได้ทําสถานที่เราเนี้ยเป็นธรรมนียสถานเหมาะแก่การดําเนินความเพียรแท้เออแต่คิดอย่างนี้เป็นไงเป็นอะไรเ อ, อ่เป็นเดชขมมะแต่คนส่วนใหญ่เป็นอะไรดีเออแล้วก็โมกงการมวิตกเป็นส่วนใหญ่มีนกมีสิ่งสวยๆงามงาม มีกระลอกมีกระแตมีกระตายเฮิยเอมันจะทำให้ป่าแห่งนี้เป็นปรับดุนยภาพมีความสวยสดงดงามธรรมชาติเหล่านี้ควรรักษาไว้จะได้ดุญยภาพของป่าได้ะจะได้เป็นปัจจัยแก่คนที่มาเนี่ยได้เห็นได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้วิจัยได้แยกแยะได้พัฒนาปัญญาไดพัฒนาสติตนเอง ได้พัฒนาการไม่เบียดเบียนกันโอ้อย่างนี้เป็นเนคขม่หมดนะแบบนี้นะเนคขม่าบ้างเป็นอพยพบาตบ้างเป็นอวิหิงสาบ้างแต่ถ้าเป็นการมวิตกพยาบาทวิตกหิงสาวิตกเออเราจะทําป่าตรงนี้มันงดงามทุกคนมาก็ได้เพลิดเพลินได้เพลิดเพลินมีกระลอกมีกระแตกก็ได้เอามากินเป็นอาหารกันเลยใช่ไหม เออเนี่ยมันจะได้มีสัตว์ป่าได้กินกันบ้างมีสิ่งของต่างๆเหล่านี้ได้สบายมนุษย์มาอยู่นี้ได้สบายได้ร้องลําทําเพลงก็สนุกสนานจัดดนตรีจัดการเล่นทั้งหลายเหล่านี้โอ้รู้สึกมันจะเพลิดเพลินทําให้คนเนี่ยได้ความรื่นเริงสนุกสนานนะทำให้คนตนมาแล้วก็ได้ความสุขเพราะงั้นเด้อได้ความสุขทั้งด้านกลางเนี่ยสนุกสนานล่าเริงกันไอ้อยังงี้ก็เป็นกลุ่มการมวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้า ง, าาา ง, ง, าางเป็นต้น เห็นไหมเนี่ยมันก็มองในสองส่วนว่าจะให้กุศลวิตกเกิดขึ้นหรืออกุศลวิตกถ้าอกุศลวิตกเกิดขึ้นมันก็เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนนะเบียดเบียนคนอื่นด้วยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยไม่พัฒนาปัญญาด้วยนะอกุศลวิตกเนี่ยเป็นไปทําให้ลําบากได้ตัวเองก็ลําบากราคาโทสามหะก็มีกําลังมากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานหรอกการมวิตกพยาบาทวิตกหิ้งสายตกเนี่ย เวลาเกิดขึ้นมามากๆแลเบียดเบียนทั้งเด็ดตัวเองเบียดเบียนทั้งคนอื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแล้วก็ขัดขวางปัญญาทําให้ลําบากปัญญาจะมาแทรกเกิดไม่ได้เลยไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานแล้วเนี่ชีวิตก็ต้องจมปากกันอยู่อย่างนี้แหละโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ไหม <c oughs> เนี่ยงั้นพอมาพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้า พรบริษ you know, ัทท่านบอกเออเนี ان, zag, way, shared, ่ยเมื่อท่านพิจารณาอย่างนี้แล้วการมวิตกพยาบาทวิตกหิเหงขสาวตกดับศูนย์เลยท่านก็เออเราจะละจะบรรเทาจะทําการมววิตกพยาบาทวิตกมิเหงขสาวิตกเนี่ยที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปท่านคิดอย่างนี้นะท่านก็เลยเข้าใจอ๋อเราตรึกถึงวิตกไหนมากวิตกนั่นก็มีกําลังเราอยากจะเป็นคนมีการมวิตกมากๆก็คิดมากๆคิดการมัววิตกเยอะ อยากเป็นคนมีความพยาบาทความโกรธก็คิดพยาบาทคิดโกรธเยอะๆอยากจะเป็นคนมีวิหิงสาวิตกมากๆก็คิดเบียดเบียนเขาเยอะๆแค่นี้แหละวิธีการให้อาหารมันเยอะๆๆยอะๆมโตขึ้นไหมมีกําลังไหมอา้าวถ้าเราอยากให้เนคขม้า ah วิตกมีกําลังมากก็ตึกในเนคขม้อยากให้เมตตามีกําลังมากก็ตึกในอพยาบาทวิตกอยากให้กรุณามีกําลังมากก็ตึกในกรุณาหลักการมีแค่นี้ง่ายไหมแต่ที่ผ่านมาเราใช้ความสามารถไปไปทําอกุศลวิตกซะนี่ ผมไม่ค่อยคิดอะไรหรอกผมก็เพลิ น, เ, นเป็นวิตกอะไรการมก <c oughs> เป็นมากเป็นการเพลินเพ น, นสบายดีอะเชื่อใจสบายไม่คิดอะไรมากนี่กลุ่มนี้กามมวิตกการมวิตกนั่อะรเป็นการมวิตกงั้นก็เลยกลายเป็นคนมีกำลังการมวิตกมีกำลังเลย บอกมนในกามสตเดราชาญเนี่ยกุมการไม่ตกแล้วก็พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดตลอดมันระแวงมันเนะมันระแวงจัดใช่ไหมสัตว์พวกนี้ระแวงมากระแวงระแวงมไม่มีใครสอนมันได้ในพวกเราเนี่ยเราลองคิดดูทีถ้าไปอยู่คนเดียวจะเราจะทํำยังไงหมดสิทธิ์เลยนะ แล้วจะออกจากทุกข์ยังไงเนี่ยมันก็จมอยู่ในนี้สร้างกับดักตัวเองดีเนี่ยเออจะออกทุกข์พ้นทุกข์ยังไงดีไ้มอยู่ป่าดีไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วไปจินตนาการ <c oughs> ใช่ไ้ยอยู่คนเดียวก็เออเรามีข้อมูลยังไงแล้วก็ตึกวิตกนั้นมากเออที่ตรงนี้จะสร้าง เดี๋ยวจะเอาคนชาวเขามาอยู่ตรงนี้มาแสดงเดี๋ยวเวลาคนมาอยู่ตรงนี้เขาจะเห็นจะได้เพลิดเพลินสนุกสนานล่าเลงจิบวายไปแล้วโอ้มีความสุขกันเนี่ย <c oughs> มีดนตรีมีต่างๆโอ้แสดงวัฒนธรรมมาเสร็จก็ตอบมือกันให้รางวาัลไอ้พวกนั้นก็ได้ค่าตอบแทนไปเราก็ได้ค่าจัดสถานที่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ๋อมียิงเลยดีกว่าเย้ทำไมคิดไอ้เรื่องกาบวิตต์ออคิดไม่ยากเลยนี่เนี่ยเย่ก็เป็นอย่างเงี้ยพอดูโอ้พูนดูเข้าท่าจินี่ก็นั่งดูกันตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีจัดแสงสีเสียงแล้วโอ้ประดับเนี่ยกาบวิตต์เต็มามากๆแล้วโอ้ชํานาญจังเลย <c oughs> ดูสินี่นเป็นอย่างเงี้ย เนี่ยคิดมากมากงันจะมีกําลังแล้วก็บอกว่าเก่งมาก <c oughs> คนก็ น, นี่เก่งคิดได้ยังไงวิจิตมากเอกกรามวิตกเนี่ยไม่ต้องคิดหนึ่งตัวไหนก็มีกําลังตัวนั้นแหละถ้าคิดกลางวิตกกามวิต ก, ก, ว, ตกวิจิตจะตายใช่ไหมล่ะโอยมันเนี่ยกลางวิตกทั้งนั้นแหละเนี่ยวิจิตบรรจงมาเนี่ยเนี่ยดูที่ผลงานของกลางวิตก หงดหงิดไม่ได้ดังใจก็เป็นพยาบาทวิตกอยากจะทำลายล้างหรือเอาชนะบุคคลอื่นก็เป็นวิหิงสาวิตกนก็คิดด้วยเอากุศลวิตกมันยังวิจิตบรจงขนาดเ น, นี้ถ้าคนยกย่องกันนะใช่ไหมสุดยอด เราก็ดูที่โอ้โหเนี่ยวิจิตบรรจงมากในการทําตรงนั้นเอาตรงนั้นไปค้าตรงนั้นเอาวินิจี่ยกรมการมวิตกน่นมีต้อพิจารณาด้ยด้อโอ้เนี่ ย, ร เ, ย, ร เ, ยเราก็จะทํากุศลวิตกให้เกิดขึ้นวิจิตบรรจงอย่างนี้เหมือนกันเอาได้เหมือนกั น, นใช่ไหมเอาละเขาเขาชํานาญในการมวิตกแต่เราจะชํานาญในี่เนี่ยขมวิตกเราจะทําสถานที่ตรงนี้ในการให้ให้คนได้มีความ ให้คนได้มีอายุยืนให้เขามีความสุขให้เขามีกำลังให้เขามีผิวพรรณงามให้เขามีอาหารกินได้คุณภาพชีวิตที่ดีให้เขาได้เจริญกุศลเราจะทําที่ตรงนี้ให้วิจิตบรรจงด้ยการบูชาพระรัตนตรยัยโอ้ยมันกลายคนละเรื่องเลยไอ้ปัญญานนำกับอีกตัวโมหานำเนี่ยต่างกันเยอ ะ, อ, ะออกมาคล้ายๆกันเหมือนกันแต่อีกอันหนึ่งเน้นไปทางด้านเนคขมว่อีกคันหนึ่งเน้นด้านกามวิตก อีกคนหนึ่งเน้นที่จะออกจากกลาอีกคนหนึงเน้นจะบกมุ่นในกาอะไรประเสริฐกว่ากันไหมเนคขม่าวิตกก็ประเสริฐกว่าเออมาหนาที่นี้เราจะเน้นให้คนเข้าได้เราจะไม่คิดเบียดเบียนใครเราจะมีเมตตากับเขานี่มีทั้งอภัยาบาตรวิตกับหิงส า, าวิตกเกิดเรแล้วอเออเราจะทําที่สวยสดงดงามตรงเนี้ยเราจะได้เอควักเงินออกจากกระเป๋าเขา กามัวิตกเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยยังไงนะเขามาอยู่ที่ตรงนี้เขากล้าที่จะจ่ายเป็นแสนได้เนี่ยเบียดเบียนซะเลยใช่ไมครับเห็นวิธีการเนี่ยเอาสีสวยๆมาลอกเงี้ยเงินออกจากกระเป๋าเอาเสียงเพาะๆมาล่อเงินออกจากกระเป๋ากลิ่นหอมๆมาล่อเงินออกจากกระเป๋าเอารสอร่อยอร่อยมาล่อเงินจากกระเป๋าสัมผัสที่นิ่มๆมาล่อกเงินจากกระเป๋า เราทำอารมณ์นี่น่ายินดีเพื่อเพลินล่อเอาเงินออกจากกระเป๋าโอ้ง่ายมากขายสีเสียงกินรถโพธตภัณ์แล้วทำอารมณ์นี่กามวิดลเบียดเบียนเขาด้วยแต่นี่ก็จะจ่ายโูก็จ่ายแพงๆอยากอยากจะทำทริปทำหลักทำที่ปฏิบัติที่จ่ายแพงสุดๆครูสอนไหมนี่ โอ้ oh, ถ้าไม่ฉลาดในเรื่องพวกนี้ก็ความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ก็ขัดใจบุุชนอย่างมาก <c oughs> ใช่ไหมง <c oughs> ั้นถ้ารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแบบนี้การจะหาเงินยากไหมไม่ยากเลยก็ <c oughs> <c oughs> ทำให้วิจิตบัญชงหน่อยแค่ น, นั้นเอง ยิ่งเดี๋ยวนี้โฆษณาหน่อยอะไรหน่อยโอ้ยคนมาจังเลยใช่ไหมเนี่ยกามาวิตกเนี่ยหลอกล่อคนได้เพราะบันไดบรรดาคนในโลกนี้ระหว่างคนฉลาดกับคนโง่ใครมากกว่ากันก็คนโง่มากกว่าใช่ไหมว่าคนโง่มากเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะดักเอาเอาผลประโยชน์จากคนโง่ๆได้เยอะเลยใช่ไหมแต่หลอกคนฉลาดไม่ได้ หลอกคนโง่ด้นี่เป็นี้อยากรู้ความจริงพวกนี้เยอะไหมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพอพูดถึงในเรื่องของกุศลวิตกปุ๊บพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนคขมะอภยบาตอวิหิงสานี่เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่เนคขมะอภยบาตแลวหิงสาวิตตกเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เคยคิดเบียดเบียนคนอื่นเลยใช่ไหมมีแต่ให้มีแต่การคิดเมตตามีแต่คิดกรุณาแล้วก็ไม่เบียดเบียนในส่วนรวมเลยเป็นประโยชน์ต่อสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยพัฒนาปัญญาไหมพัฒนาปัญญาด้วยทำไม่ทําให้ลําบากด้วยและมีจุดหมายเป็นไปเพื่อการสิ้นกิเลสและกองทุกข์ด้วยถ้าตรึกตรองเนคขมะอภยบาตวิงสาอยู่ตลอดทั้งคืนทั้งวันก็ไม่เห็น นะไม่เห็นภัยท่านไม่เห็นภัยจากการตรึกตรงนี้เลยแต่เพียงว่าถ้าไข้ควรมากๆๆๆไปแล้วเนี่ยไม่ได้พักทางด้านร่างกายร่างกายก็ผีวิธีการก็คือว่าเอาละเราก็หยุดหยุดเดินเนคขมะเป็นระยะหยุดเดินเมตตาเป็นระยะหยุดเดินกรุณาเป็นระยะด้วยการมาอยู่สงบนิ่งในสมาธิพักแต่ไม่ใช่พักเพลินนะพัก พักเป็นเนี่ยเนี่ยเขาปฐมฌานทุทาาตทิยฌานตัทธฌ า, านเจตุทะฌานเป็นต้นเอ้านี่เดินทางในการบรรลุเลยเอาเจตุทะฌานเป็นฐานต่อการเดินวิชาสามปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูป ป, ปาทะยานอสวาคยาญาณสามารถหลุดพ้นแล้วก็พ้นทุกข์ได้เลยนเนี่ยพ้นทุกข์ได้ทีนี้ ในทางด้านของในคำสอนเนี่ยเมื่อแทงตลอดอริยสัจแล้วในเรานั้นรู้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากกามาสวาปะปวาสวะวิชาสวะชาสิ้นแล้วพรหมจรรยร์หยุดจบแล้วเป็นต้นเหล่านี้ท่านโอบมาเหมือนมีูงเนื้อเนื้อผงใหญ่พากันไปอาศัยในบึงใหญ่ในดงชายคนหนึ่งที่ปราศจากความผู้ปราถนาความพินาศ มีความคิดที่ไม่เกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นจึงปิดทางที่ปลอดภัยที่มีสุขที่เป็นไปตามชอบใจเปิดทางที่ไม่สะดวกผูกเนื้อตัวต่อคำว่าเนื้อตัวต่อก็จะมีพวกฝูงเนื้อเนี่ยเอาเนื้อตัวต่อก็คือเอาตัวมันเหมือนนกนะนะเหมือนเ้าต่อนกเขาใช้นกต่อฝูงเนื้อพวกไอ กวางเก้งอะไรต่างๆก็ก็จะใช้สัตว์ตัวนั้นแหละเป็นเนื้อตัวต่อผูกไว้ส้มนางเนื้อตัวต่อไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นนะต่อมาสมัยต่อมาเนื้อฟูงใหญ่มากันแล้วต้องมาตายเหลือจํานวนน้อยพอมาเบ็ดเสร็จปุก็จับเนื้อฟูงใหญ่นั้นได้ใช่ไหไอ้คนนี้ไอ้คนที่มีความประสงค์ร้ายเนี่ย แต่ต่อมานะ ย, ยังมีชายคนหนึ่งที่ปรารถนาประโยชน์ต้องการที่จะเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภัยแก่ปู๋งเนื้อนั้นจึงเปิดทางที่ปลอดภัยที่มีสุขเป็นไปตามความชอบใจและปิดทางที่ไม่สะดวกที่ถ้าเนื้อไปทางนี้แล้วจะไปเกิดความเสียหายและเดือดร้อ น, นแต่จะต้องตายเนี่ยนะ เ, เปิดทางที่สะดวกปิดทางที่ไม่สะดวก แล้วก็กําจัดเนื้อตัวตอบตัวพูดใช่ไหมทาลายนางเนื้อตัวตอบด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมีจํานวนมากขึ้นขับคลั่งล้นหลามชั้นใดอุปมาไมค์ก็ฉันนั้นพระเจ้าบอกเราทําขึ้นเพื่อจะให้เธอรู้ความหมายของเนื้อความในอุปมาดังต่อไปนี้คําว่าบึงบึงใหญ่เนี่ยเป็นชื่อของกามกามาคุณ คําว่าเนื้อผู้เนื้อฝูงใหญ่นี้เป็นชื่อของปลาหมูสัตว์ทั้งหลายหมู่สัตว์ทั้งหลายเข้าไปในบึงใหญ่ก็ไปโปริโภคกามอยู่สีที่สวยๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยทั้งหลายนเนี่ยเสียงพรๆเนี่ยนั้นบึงใหญ่เป็นชื่อของกาเมคุณฝูงเนื้อทั้งหลายฝูงใหญ่คือหมูสัตว์คําว่าชายผู้ปรารถนาความพินาศไม่ได้ปรารถนาดีไม่ต้องการจะเกื้อกูล ไม่ประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของมารที่ใจบาปมารที่ใจบาปทั้งหลายปรารถนาจะให้สัตว์นั้นพินาศก็เอารูปสวยๆเสียงเพาะๆกลิ่นหอมๆทั้งหลายเนี่ยมาหลอกล่อสัตว์เหล่านั้นก็มาติดอยู่แล้วก็ตายกันอยู่บางคนก็ตายอยู่กับร้านขายน้ำแข็งหลอดบางคนก็ตายอยู่นั่แหละร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะร้านข้าวมันไก่แล้วก็ว่าไปเถอะตายอยู่ในทุ่งนา ชาวนาก็ตายอยู่คานาชาวไร่ก็ตายอยู่คาไร่ชาวสวนก็ตายอยู่คาสวนข้าราชการก็ตายข้าราชการทหารก็ตายในทหารนี่แหละว่างั้นเถอะตายเพื่อชาติเลยก็ว่ากันไปจมกันอยู่นั่นแหละก็หลอกล่อนักธุรกิจก็ตายอยู่กับธุรกิจต้องแดงสามีก็ตายในฐานะเป็นสามีภรรยาก็ตายพ่อแม่ก็ตายอยู่นะจมกันอยู่นั่นแหละจมอยู่ในบึงใหญ่นั่นแหละในกาบมะคุณนั่นแหละ กามคุณก็ผกมัดทาให้ออกไม่ได้ดิ้นกระเสือกระสนออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เปิดทางปลอดภัยให้ไม่เปิดทางรอดให้ไม่รู้จะหนีออกยังไงบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายอ่ะที่ไปวิ่งจมอยู่ในบึงของกามคุณทั้งหลายแลย้วนี้หาทางออกไม่ได้ถ่ายรูปจนตายอ่ะต <c oughs> ายก็ามาตัดต่อเครียดตายกันอยู่นั่นแล้วว่างั้นเถอะมาบวชยังมาจมกามคุณอีกนะ นอกไม่ได้ตายอยู่กับสาราหนี้ศิลบ้างอะไรบ้างสรารพัดหมดแล้วพระป่ามาโอ้ยไม่หมดหนี้หมดศิลป์เยที่เข้าใจาไหมบึงใหญ่ไหมบึงใหญ่เป็นชื่อการมคุณสัตว์ฝูงใหญ่ก็เป็นชื่อของประชาสัตว์ทั้งหลายชายที่ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการเกือ้อกูลไม่ต้องการความปลอดภัยเป็นชื่อของมารนิใจบาปมารนิใจบาปมากเลยเอาของสวยๆมาล่อ กิเลสมานของเราในใจเราเนี่ยนะก็สร้างบ้านสวยๆมาล่อใจบาปไม่ ม, า, นเน า, า, ม า, เาเนี่ยกิเลสมานก็บังคับทําให้ขันธมานเรานี่ไปทําทำล่อตันเองไม่พอล่อคนอื่นด้วยล่อเขาลอล อ, ลอใจบาปมากให้เราตายอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่านี่แหละสมบัติทิชชี่ไว้ให้ รักษาไว้ให้ดีนะสืบทอดต่อไป <c oughs> ใจบาปมากเลยให้ตายอยู่ในนั้นแหละไม่เปิดทางออกให้ด้วยไม่เปิดทางรอดให้ด้วยต้องจมตายอยู่นี่แหละวังนั้นจะตายอยู่ในบ้านหลังนี้ตายอยู่ในรถหลังนี้ตายอยู่ในบริษัทนี้ตายอยู่ในห้างร้านนี้ตายอยู่ในอะไรต่างธุรกิจที่ทำสืบต่อมา <c oughs> อยากพูดเยอะเลย <c oughs> กลัวไหมกลัวปัญญาไหม กลัวความรู้ไหมกลัวความเข้าใจไหมถ้าไม่กลัวตามพูดเจ้าไปเห็นไหมแมงเห็นมั้ยเริ่มเห็นนี่ยังมานผู้ใจบาปกิเลสมารเนี่ยเวลาเกิดขึ้นในใจเราแล้วเนี่ยเบียดเบียนตนไหมไปเบียดเบียนคนอื่นไหมเบียดเบียนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมไหมอาชญจะสร้างที่ตรงนี้ขึ้นมา ถ้ามั็นฉันมีจิตใจที่คิดเป็นบาปเนี่ยนั่นสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนมาติดเนี่ยเพื่อให้คนหาทางออกไม่ได้ทาให้คนหาทางอริยมรรคไม่เจอให้ติดตายในการประคุณ น, นี่แหละมันบาปไห้ยายบาปไหมนี่คนเนี้เ <c oughs> <c oughs> บียดเวียนตัวเองไม่ฟ้องเบียดเวียนคนอื่นด้วยเบียดเบียนสังคมด้วยนะทำให้คนติดกันอยู่นี่แหละฆ่ากันตายก็ว่าไอที่ตรงนี้แหละ แย่งกันแข่งแย่งกันประทุษรายการนเบียดเวียนกันไอ้ที่ตรงเนี้ย <c oughs> เป็นอย่างนี้นะเ <c oughs> นี่ยไม่ได้หวังประโยชน์เกือ้อกูลใดๆเลยเนะี่ยคําว่าทางที่ไม่สะดวกนี้เป็นชื่อของมิจฉามัดมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดใช่ไหมถึงทาอย่างเงี้ยเห็นผิดเนะี่ยมิจฉาสังฆปะดําฤทธ์ผิดหรือดําฤทธ์ถูก น้ำหลีไปในกามดําหลีไปในพยาบาทนําหลีในเบียดเบียนเนี่ยเพราะน้ำหลีไปในกามเนี่ยมัจะน้ำหลีถูกได้ยังไงใช่ไหมเอยเราจะต้องสร้างเนี่ยวัตถุกากมที่สวยๆงามๆคนจะได้ชอบคนจะได้มาเพลิดเพลินคนจะได้มามัวมัวเ ม, ม, ม, มาลุ่มหลงมาณสถานที่ตรงนี้แล้วเราจะได้สิ่งที่เราปรารถนาเป็นต้น น้ำรีบไปเราจะทำอาหารอร่อยๆเนี่ยให้คนเขากินเขากินเราจะได้ติดใจเราจะได้ได้งเงินไม่สนใจสุขภาพคนจะเป็นไงเรื่องคุณมันอร่อยใช้ได้ขายได้เป็นใช้ได้เสื้อผ้านี่ไม่สนใจเรื่องคุณภาพชีวิตจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่แต่จะโฆษณาให้มันดีที่สุดว่างั้นเถอะใช่ไหม สิ่งแวดล้อมที่เราจะสร้างเนี่ยเราจะสร้างสถานบันเทิงขึ้นมามัวเมาลุ่มหลงเนี่ยไม่สอนคุณภาพชีวิตคุณจะเป็นยังไงไม่ไม่เกี่ยวแต่คุณมาแล้วคุณได้ความเพลิดเพลินได้ความสนุกส น, นั้นได้อาหารดีดนตรีเพรา ะ, <c oughs> ะมีไหมคนคิดแบบนี้มีไหมนี่ตำรีผิดหรือตำรีถูกเป็นมิจฉาสังฆปะหรือสมาสังคปะฮะมิจฉาสังฆปะ พามิจฉาสังกปะมาแล้วมิจฉาวาจามาแล้วเดยที่ตรงนี้ไปเที่ยวนิ่งสวยเงาเพลินสนุก <c oughs> โหยพูดเลยนะโอ้โยเข้าไปนะบรรยากาศดีๆอากาศเย็นๆจิบไว้ยอด <c oughs> สุดยอดเหม่เข้ากับบรรยากาศจริงๆ แล้วก็มีเพลงฟังโอ้โหยังมีดนตรีด้วยมีการละเล่นด้วยมีการพ้อลัมด้วยโหสวยงามมากเปิดภาลนาภาลนาเป็นไรสมมาวจารือมิฉาวาจามิฉาวอาจารยภาลนากามาคุณมันดียังไงเลิศยังไงประเสริฐยังไงงม้นเดแมแต่ว่าใ่ช่วงเนี้ย มองช่วงนี้บรรยากาศดีมากต้องขึ้นมาท้งนี้สิใช่ไหมพอมองเห็นยังมิจฉากรรมมันตะการกระทาทำงานอย่าทำอะไรทำที่จะสร้างกรรมอาคุณเนี่ยเอาดอกไม้ไปวางตรงไหนเอาต้นไม้ไปวางตรงไหนโอ้โหวาง วางตรงนี้มาดูโอ้โหรูจุดเด่นมองแล้วสวยงามมองไปโอโ้สวยคนจะมองเห็นตรงเนี้ยเขาจะได้ติดใจสัมมาชีวามิจฉาจิวะเพราะที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยมันเกื้อกูลต่อการพูดนะเพื่อเจอพูดโกหกอะไรกว่ากันไปพูดเกินจริงเพียร น, น่ะเป็นสัมมาวยามะหรือมิจฉาวยามะเพียรพยายามในการทำมิจฉาวยามะและเลิกก็เป็นวิชฉาสติ มาดูแลจิตตั้งมัน่นมิจฉาสมาธิเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นชื่อของทางทางที่ไม่สะดวกเป็นเป็นชื่อของมิจฉาะเป็นทางที่ผิดที่สัตว์ดําเนินไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นตั้งมั่นผิดคําว่าเนื้อตัวตัวผูเ้เนื้อตัวต่อที่เป็นตัวผู้เนี่ยเป็นชื่อของความกําหนัดยินดี นั้นความกําหนัดยินดีเนี่ยเป็นเป็นเนื้อตัวต่อเป็นตัวผู้ความกําหนัดความยินดีความเพลิดเพลินส่วนไอ้นางต่อนางเนื้อต่อตัวเมียเนี่ยเป็นชื่อของอวิชชาคือความไม่รู้ <c oughs> เห็นชัดที่อย่างนี้เนี่ยตัวเนี้ตัวตัวล่อเราอยู่ไอ้ความกําหนัดความยินดีเนี่ยเป็นนางเนื้อเออเป็นตัวตัวผู้ ส่วนในความไม่รู้ความหลงความยึดติดความความไม่รู้ทั้งหลายความมืดบอดนี่เป็นตัวเนื้อน า, นางเนื้อต่อตัวเมียที่มันหลอกล่ออยู่สรุปก็คือว่าอัสมูไทยสองตัวนี่แหละตัณหากับ ว, วิชาชายผูุ้มทีนี้พอต่อมาเนี่ยพอมองนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้โหเนี่ยมันมาอย่างนี้โลกใบนี้ทั้งหมดเนี้ยนะที่พระเจ้าออมาเนี่ย ไอ้บึงใหญ่เป็นชื่อของกามคุณเนื้อฟวงใหญ่เป็นชื่อของมูสัตว์ชายที่ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการให้ไม่เกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยเนี่ยเป็นชื่อของมารทจัยบาปทางที่ไม่สะดวกทางที่ผิดก็เป็นชื่อของมิจฉามักมิจฉาทิถิมิจฉาสังกปรามิจฉาวาจามิจฉากรรมตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสมาธิ นางเนื้อตัวต่อเป็นชื่อของเออไม่ใช่เนื้อตัวต่อที่เป็นตัวผูเ้เนื้อต่อตัวผู้เนี่ยเป็นชื่อของตันหากวามหนักยินดีนางเนื้อตัวต่อตั ว, ตวเมียที่เป็นตัวล่อให้หมูสัตว์ไปติดกันอยู่เนี่ยเป็นชื่อของอวิชาคือความมืดบอดเห็นไหมยางดเดี๋ยวนีอ้อ้าวต่อมาตรงกันข้ามชายที่ปรารถนาประโยชน์ต้องการจะเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภยัยเนี่ยเป็นชื่อของ พัตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระฐานแตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไกลาจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้นเดยตนเองใช่ไหมเป็นผู้ถึงพร้อมดนวิชาแปดจนะสิบห้าเนี่ยอันนี้เป็นชายผู้ปรารถนาประโยชน์พทะเจ้าปรารถนาประโยชน์ใช่ไหมให้เราได้ถึงทั้งประโยชน์ปัจจุบันประโยช น, ยชน์ในพบหน้าประโยชน์อย่างยิ่งส่วนทางที่ปลอดภัยที่เป็นสุขได้ตามความชอบใจเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8 นะพราะฉะนัเจ้ามาปิดทางอะไรปิดทางที่ไม่สะดวกทางที่ไม่ปลอดภัยมิฉามักอย่าเดินนะแล้วก็มาเปิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนั้นะมาทําความเห็นชอบให้เกิดขึ้นความดํารีชอบให้เกิดขึ้นการกล่าววาจาชอบการกระทําชอบการเลี้ยงชีพชอบการเพียนชอบเปรนเลิศชอบตั้งมั่นชอบเนี่ยพระเจ้าบอกดูก่อนพิกษุนทั้งหลาย โดยประการตรงนี้เราได้เปิดทางที่ปลอดภัยที่มีความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายแล้วเธอควรดําเนินไปตามความชอบใจในมัชชิมาปฏิบัติานี้ในทางนี้และเราได้ปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วยปิดให้แล้วโอ้โห oh. แล้วก็กําจัดเนื้อตัวต่อผู้ให้แล้วอาวิชาไอ้ตัวความกําหนัดยินดีแล้วก็บอกวิธีกาจัด แล้วก็ทาลายนางเนื้อตัวต่อตัวเมียให้แล้วกิจใดที่พระบรมศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลที่จะพึงกระทำแก่เธอเพื่อเอื้อเฟือเพื่ออาศัยความอนุเคราะห์ที่ควรกระทำต่อสาวกทั้งหลายกิจอ น, นันตตถาคตได้กระทำแก่พวกเธอแล้วนนทบอกเสร็จเมื่อเธอศึกษาจนเกิดความมูลความรู้อย่างชัดแจ้งแล้วเนี่ย พระเจ้าบอกน่นโคนไม้น่นเรือนว่างเธอจงไปเพ่งพนิชจงไปทําอารามนูปนิชานลัคนูปนิชานก็หมายความว่าไปฝึกหลังจากได้ข้อมูลแล้วฝึกจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วเดินปัญญาตามที่เราบอกตามสุตตาที่บอกนั้นไปวิจัยแยกแยะทั้งรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทั้งลักษณะรักษปปาปัจจุบันประทัดฐานเป็นต้นเอาเนี่ยนะอย่าประมาทยาได้เป็นย่าได้มันนั่งเศร้าโศกเดือดร้อนเสียใจในภายหลังนี้เป็นคำ่ำสอนของาศาสตร์ของตถาคตที่มีแก่เธอทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> พวะเจ้าทากิจเสร็จหรือยังเสร็จแล้วโอ้โหเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสภาษิในภิกษุเหล่านั้นก็ต่างอู้หูตื่นเต้นโอ้ยเราเราได้หลักการปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าช่วยเราขนาดนี้เลยหรือยังพระเจ้าเป็นผู้ชายที่หวังประโยชน์เกื้ อ, อกูลกับเรามาปิดทางที่ไม่เป็นประโยชน์เปิดทางที่เป็นประโยชน์ให้และยังกําจัดด้วยกําจัดไอ้เนื้อตัวต่อที่เป็นตัวผููด้วยที่เป็นตัวเมียด้วยว่ากันเถอะบอกวิธีการเบ็ดเสร็จแล้วบอกข้อมูลเบ็ดเสร็จแล้ว เรารับข้อมูลให้เร็วได้ข้อมูลไปเสร็จปุ๊บนุ่นคนไม้นุ่นเรือนว่างระดมความเพียรได้ยังตอนนี้ถ้าได้ข้อมูลจบแล้วระดมได้แล้วนี่ทเทวทาวิตาคสรนี่เราโดยย่อพอจบประเด็นได้ยังมีอะไรถามไหมใครสงสัยยังตอนนี้ฮะ บังเข้าใจไหมเนี่ยบึงใหญ่ก็เป็นเชื่อของกาเมคุณไงใ่ไหมล่ะเอเนี่ยโลกคือหมู่สัตว์เนี่ยเป็นบึงั้มโลกคือเนี่ยสิ่งของต่างๆสีที่สวยๆเสียงที่ฟอๆกกิ่นที่อหอมรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆทมาอารมณ์ที่น่ายินดีเพลิดเพลินเนี่ยโอ้โหหมูเนี่ย หมูนี่พวกเราดี่แลสัตว์โลกทั้งหมดนี่แหละเอาบรรดาบรรดาสัตว์โลกเนี่ยบรรดาสัตว์ทั้งหลายฝูงเนื้อทั้งหลายมันชอบอยู่ในบึงใหญ่ไหมอยู่ในป่าใหญ่ไหมมันชอบใช่ไหมมันติดไหมตินี <c> ่ค <oughs> <c oughs> แล้วมันยมีคนไม่ปรารถนาดีกับอะไคนที่มีกิเลสทั้งหลายเนะี่ยคนที่มีกิเลสมารทั้งหลายนะั่นคือคนที่ไม่ปรารถนาดีทุกคนนะ ถ้าใครมีกิเลสปุ๊บเนี่ยมาบงการมาบอกเราอย่างนู้นนี้เขาปรารถนาดีกับเราหรือเปล่าเขาไม่ได้ปรารถนาดีนะเนี่ยเขาปรารถนาความพินาศไม่ได้ปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภยัยแกเราหรอกนี่เป็นชื่อของมารที่ใจบาปกิเลสมารเนี่ยสิงใครอยู่เนี่ยเราไปคบหาสมาลคอมกนนันมันก็บอกมิจฉาทิฏฐิกับเราสิมันก็บอกไอ้นี่ทําทางนี่มันไปปิดทางนี่ปิดทางอริยมรรคเปิดมิจฉาทิฏฐิให้กับเรา กมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะามิจฉาวาจามิจฉากรรมตะมิจฉาที่ว่ามิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสมาธิใช่ไหมเนื้อตัวต่อตัวผู้ก็คือไอ้ความกันหนัดเนี่ยมันล่อเราอยู่อเนื้อต่อตัวต่อตัวเมียก็คือความไม่รู้แล้วก็ติดกับมันก็ติดอยู่กับบึงใหญ่ตายอยู่ตรงนั้นแหละบางคนก็ตายอยู่กับต้นไม้ต้นนั้นเสาบางสารพัดหมดจริงไม่จริง แล้วก็วนวนวนว น, วนอยู่ตรงนี้แหละวิ่งไปก็วิ่งมาอยู่นี่ติดตัต า, ายไป ไ, ป <laughs> <laughs> ไม่รอดเลเห็นไปเห็นในเนื้อตัวอื่นมันตายขำมันด้นะบางทีเอออางั้นเห็นไหมเนี่ยออกจากกรุงเทพไม่ได้ก็ตายไม่เหมือนเร า, าตายเชียงรายนี่ <laughs> เอยตอนนั้นมันติมันตายอย่กุงเทพโอ้โหนั่นแหละ หวงลูกหวงหลานนี่เหมือนเราเรามีที่ตายของเราแล้วไม่หลอดเหมือนกันยังไปดูถูกกันอื่นนะยังไปตำหนิคนอื่นอยู่ว่าเราปลอดภัยแล้วกันนะเนี่ยปลอดภัยยังโอ้ชีวิตนี่เวทาวิตักษสูตรถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ไปเปิดอ่านนาะ อ่านเองไม่เข้าใจอีกอ่านเองไม่รู้อะไรประมาไงนี่งงอ่านเลยสมควรเก็บเวลา